และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกลงไปในรใ น, น, ใ น, น, นรกแถ้าจริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชี้แนะทางนำและถ้าจริงพรรโลกและโลกนี้เป็นของเรา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 และเขาก็จะพึงพอใจ